บทที่35าญาติพี่น้องคุณเจริญอย่าลืมจดเนื้อเพลงรับขวัญข้าวในนาให้สายสวัสด์ไปหัดร้องนะคะวันจันจะได้ร้องให้เพื่อนๆที่โรงเรียนฟังคุณสายสวัสด์ ทวงสัญญาตกลงครับพรุ่งนี้เช้าผมจะจดให้คนอายุครบสิเจ็ดเมื่อวานซืนรับปากแล้วรงที่บอกว่ามารำเพลงบองหมายความว่าอะไรคะสายสว่างไม่ค่อยเข้าใจสาวน้อยถามอีกคงจะหมายถึงมาร่วมเพลงเถิงบองหรือ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 ชีวิตบ้านนอกลําบากไม่สะดวกสบายเหมือนบางกอกหรือที่ธนบุรีหรอกครับสายสวัสดิ์ไม่กลัวลําบากหรอกค่ะคุณยายให้สายสวัสดิ์ไปนะคะหล่อนขออนุญาตคุณหญิงห่วงถ้าพ่อจเจริญเขาไม่ขัดข้องยายก็ไม่ว่าและคุณหลวงล่ะคะคุณหญิงถามสามีตามใจเขาแต่ว่าการเดินทางลําบากมาก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 โดยไม่มีคุณสายทิพย์เป็นผู้ช่วยก็มันน่ารำคาญนี่นาสายทานก็รำคาญคุณสามคนจะแย่แล้วคุณเจริญอย่าไปฟังเสียงนกเสียงกาเลยค่ะเล่าเรื่องลอยกระทงดีกว่าปู่ก็ว่าอย่างนั้นแหละขืนถกเถียงกันอย่างนี้เดี๋ยวก็ไม่ได้หลับไม่ได้นอนพอดีพ่อเจริญจะเล่าอะไรก็เล่าไป ปู่ชักจะง่วงง่วงแล้วเหมือนกันครับคุณปู่คุณจเจริญรับคำแล้วจึงเริ่มต้นงานลอยกระทงแถวบ้านผมสนุกมากครับเพราะว่าตำบลม่วงหมู่ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพยา เมื่อถึงเทศกาลลอยกระทงพวกหนุ่มๆสาวๆตลอดจนคนเฒ่าคนแก่ก็จะพากันนำกระทงซึ่งทำอย่างสุดฝีมือมาลอยอย่างแม่น้ำเจ้าพระยาตอนหัวค่า ม, มีงานวัดซึ่งมีทั้งหนังกลางแปลงรำวงและลิเกคณะฉนไพรพานทองตอนปู่ไปราชการที่นั่นมีลิเกคณะ ฉันผ่านทองมาเล่นพ่อพองเขาชอบไปดูขอปู่ไปดูลิเกแทบทุกคืนนมวัยสิบเจ็ดนึกถึงคำบอกเล่าของยายว่าบิดามารดาของเขามาพบกันตอนมาดูลิเกและต่างเกิดรักกันขึ้นถึงกับตกลงปรงใจจะร่วมชีวิตกัน และนี่กระมังที่เป็นต้นเหตุให้คุณหญิงห่วงรังเกียบเดียดฉั้นสไป่บ้านนอกเซนักชไนเป็นลูกชายของชั้นครับคุณปูคุณยายเล่าให้ฟังว่าในสมัยที่ผมยังไม่เกิดเลเกคณะชั้นผ่านทองมีชื่อเสียงด่งดังมากคนรู้จักกันตั้งแต่จังหวัดสุพรรณจนถึงพิจิตรแต่สมัยนั้นยังไม่มีชายจริงหญิงแท้ คือมีแต่ผู้ชายล้วนตัวนางเอกก็ใช้ผู้ชายมาแต่งเป็นผู้หญิงแล้วก็หายากหายเย็นเพราะต้องเลือกคนที่หน้ากลิ้งๆไม่มีหนวดเคราพอผู้ชายคนไหนได้เล่นเป็นนางเอกพวกไมยกก็จะมาคอยเกี้ยวแล้วก็ฉกไปเป็นสามีหัวหน้าคณะเลยเดือดร้อนด้วยว่าต้องหาตัวนางเอกมาฝึกกันใหม่พอถึงรุ่นลูกคือฉไพรพันทอง มีพระเอกมีนางเอกที่เป็นชายจริงหญิงแท้แล้วครับผิดกับละครในสมัยก่อนนะคะคุณหลวงเพราะละครละครในจะใช้ผู้หญิงแสดงทั้งหมดอย่างเรื่องอีเหนาคนแสดงเป็นตัวอีเหนาก็เป็นผู้หญิงสมัยนี้ละครานนั้นหาดูไม่ได้แล้ว มันก็เปลี่ยนแปลงไปตามยุคตามสมัยนั่นแหละคุณหญิงอย่างดนตรีไทยก็เหมือนกันผมว่าต่อไปคนจะหมดความนิยมเพราะไปติดใจลหลงไหลดนตรีสากลของฝรั่งดูแต่ละหลานของเราเป็นตัวอย่างไม่เห็นมีใครอยากเรียนสักคนคำพูดของหลวงธาราทำให้คุณจเจริญใจพองคับอกรีบบอกผู้เป็นปู่ว่า ผมอยากเรียนครับคุณปู่ผมทราบมาว่าคุณปู่เคยเตียระนาถไาวในหลวงรัชกาลที่หกเวลาที่พระองค์ทรงโขนใครบอกพ่อจเจริญล่ละคุณหลวงเกิดความภาคภูมิใจเมื่อย้อนกลับไปหาอดีตครั้งที่ยังรุ่งเรืองในรัชการสำหรับคนสูงวัยอะไรเลยจะทำให้สุขใจเท่าได้เล่าความหลังคุณพ่อครับ วันที่ผมลงเรือมาที่นี่คนที่ท่าเรือข้างสะพานพุทธเขาพูดกับคุณพ่ออย่างนี้เขาบอกว่าคุณปู่เป็นระนาดเอกแต่น่าเสียดายที่ไม่มีใครมารับมรดกของคุณปู่ลูกหลานเขาก็ไม่อยากได้กันคนพูดรู้สึกน้อยใจด้วยคุณประพน์กับหลานสาวทั้งห้าไม่สนใจดนตรีไทย ผมขอเป็นผู้รับเองครับผมชอบดนตรีไทยมาตั้งแต่เด็กๆและเคยเรียนมาบ้างฟังหลานปู่พูดหลวงทาราใจชื้นขึ้นเป็นกองอย่างงั้นหรือแล้วเล่นอะไรเป็นบ้างละ่ะเครื่องดนตรีไทยทุกอย่างผมเล่นได้หมดครับแต่ชอบตีระนาดมากที่สุดเคยออกงานมาหลายครั้งแล้วครับเออ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 เขาเรียกค่าเรียนแพงไหมไม่เรียกเลยครับมีค่ายกครูนิดหน่อยส่วนค่าวิชานั้นผมไปทางมาให้เขาเป็นการแลกเปลี่ยนกันงานอะไรพ่อเจริญไปทํางานอะไรหรือรปล่าคุณหญิงห่วงถามอย่างสนใจตักน้ําครับตักน้ําให้ครูและลูกเมียใช้กันทั้งบ้านวันหนึ่งวันหนึ่งผมต้องตักน้ําประมาณยี่สิบหาบ กว่าจะได้เรียนก็เหงื่อท่วมตัวเลยครับคุณย่าหนุ่มน้อยนึกถึงความลำบากตรัตรำแต่หนหลังโถ่พ่อคุณของย่าอุตสาห์ภาคเพียนเพื่อที่จะเอาความรู้ช่างเป็นเด็กดีเสีจริงๆคนเป็นย่าชื่นชมด้วยยังไม่รู้ริดหลานชายเหมือนคนที่เป็นยายรู้ ปูขาคุณเจริญคะสายทานจะได้ฟังเรื่องลอยกระทงหรือเปล่าคะนี่ก็จวนสองยามแล้วกระมังคนพูดเริ่หมหงุดหงิดถ้าเช่นนั้นเราก็จะพักเรื่องดนตรีไทยไว้ก่อนวันหลังค่อยมาคุยกันสองคนอย่างน้อยปูก็ดีใจที่มีคนมารับมรดกครับคุณปูนมวัยสิบเจ็ดรับคำ และจึงเล่าเรื่องรอยกระทงต่อพวกเราเป็นลูกแม่น้ำอยู่ริมน้ำเราก็สังเกตความเป็นไปของน้ำได้ความออกมาว่าเดือนสิบเอ็ดน้ำนองเดือนสิบสองน้ำทรงถึงเดือน้ายเดือนยี่น้ำก็รีไหลลงทำไมต้องเป็นอย่างนั้นล่ะคะทำไมน้ำนองเดือนสิบเอ็ดซึ่งหมดหน้าฝนแล้ว คุณสายแก้วถามขึ้นพระน้ำที่เจิ่งนองนั้นไม่ใช่น้ำฝนครับแต่เป็นน้ำป่าที่ไหลลงมาจากทางเหนือทำให้น้ำนองตะลิงเดือน11แล้วก็ท่งอยู่ถึงเดือนส2องให้เราได้ลอยกระทงกันคุณยายเล่าให้ผมฟังว่าการลอยกระทงจะมีจุดมุ่งหมายสามประการคือเพื่อบูชาพระพุทธเจ้าหนึ่ง บูชานางนพมาศหนึ่งและเพื่อขอขมาลาโทษแม่ธรณีกับแม่คงคาหนึ่งทำไมต้องขอขมาแม่ธรณีกับแม่คงคาด้วยล่ะคะคุณสายสวรรยัสดไม่เข้าใจคุณยายบอกว่าเพราะเราถ่ายอุจจระปัสสวะลงไปบนพื้นดินในแม่น้ำและท่านก็ไม่ได้ถือโทษกโกรธเราเราต้องขออโหสิกรรม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 นอกจากจะไม่โกรธแล้วผมยังรักและเคารพคุณย่าเป็นทวีคูณเพราะคุณย่ามีอะไรหลายๆอย่างเหมือนคุณยายของผมนุ่มวัยสิบเจ็พูดจากความรู้สึกที่แท้จริงนั่นเพราะกินหญิงรู้จักฝึกตนตั้งหากล่พระพุทธองค์ตรัสสอนว่ามนุษย์เป็นสัตว์ประเสริฐด้วยการฝึกตนถากาดการฝึกฝนเสียแล้ว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 ป้าว่าพอจะเรินเล่าเรื่องลอยกระทงต่อให้จบในคืนนี้เถอะคุณสายใจพูดขึ้นทั้งที่ไม่อยากจะพูดครับคุณป้าที่นี้ผมก็จะเล่าว่าพวกเราทำอะไรกันบ้างในคืนวันลอยกระทงคุณสายสว่างทราบไหมครับเขาถามสาวน้อยคงจะดูหนังกลางแปลงหรือไม่ก็ดูลิเกใช่ไหมคะครับแต่ไม่ใช่เท่านั้น เพราะเราต้องลงมาตักน้ำในแม่น้ำเมื่อเวลา24นาฬกาตักเอาไปทำอะไรคะคุณสายทานถามเอาเก็บไว้ให้คุณยายอาบแล้วก็ล้างถ้วยชามครับทำไมต้องตักตอน24นาฬิกาด้วยล่ะคะเพราะก่อนหน้านั้นเรือยังวิ่งอยู่ทำให้น้ำขุนพอเที่ยงคืนเรือหยุดวิ่งน้ำก็เริ่มใส เราก็จะลงไปตักมาใส่โอค์ตอนคุณยายยังแข็งแรงท่านก็ช่วยผมตักแต่พอท่านอายุ80ผมก็ต้องตักคนเดียวที่บ้านมีโอค์อยู่18ใบต้องตักให้เต็มทุกใบคุณเจริญเคยเล่าให้ผมฟังว่าตักน้ำวันละ20โอคงและทำไมวันลอยกระทงจึงเหลือแค่18โองคแล้วครับคุณประพศขัดขึ้นก็ผมแอบ ทบเสีสองใบจะได้น้อยลงหน่อยแล้วคุณยายไม่ว่าเหรอคะสายแก้วถามอย่างสนใจไม่ว่าหรอกครับตอนเด็กๆถ้าผมทำผิดท่านจะเครียดแต่พอโตเป็นหนุ่มท่านเครียดไม่ไหวก็เลยใช้วิธีสั่งให้ผมนั่งลงแล้วก็ดึงหูแทนทาไมต้องนั่งลงด้วยล่ะคะคราวนี้คนถามคือคุณสายทิพย์ ก่อนถามหลอนขยิบตาให้คุณสายทองเป็นเชิงเตือนไม่ให้พูดจะได้ไม่ถูกคุณประพล้อเลียนอีกถ้าผมไม่นั่งท่านก็ดึงหูผมไม่ถึงเพราะผมตัวสูงกว่าคุณยายมากนุมน้อยอธิบายถึงว่าสี่คุณเจริญหูยาวๆคงเป็นเพราะว่าถูกยายดึง บ, บ่อยๆนี่เองคุณสายแก้วพูดแล้วทุกคนก็ต่างพากันหัวเราะ คนหูยาวโบราณท่านว่าอายุยืนนะครับคุณจเจริญว่าคงไม่จริงเสมอไปกระมังคะดูคุณตาสิหูไม่ยาวแต่อยู่มาตั้งเก้าสิบปีแล้วนะแล้วก็จะอยู่ต่อไปจนครบสองร้อยปีใช่ไหมคะคุณตาคุณสายสว่าดทำท่าประจบไม่ไหวหรอกล้านตาขี้เกียจตะบันน้ำกิน เอาเป็นว่าตาจะอยู่ไปเรื่อยๆจนกว่าจะตายก็แล้วกันคำพูดของคุณหลวงเรียกเสียงโห่ร้อได้อีกครั้งแล้วประมุขของบ้านจึงกล่าวว่าเอาละนี่ก็ดึกพอสมควรแล้วขอให้แยกย้ายกันไปนอนได้วันหลังค่อยคุยกันใหม่อย่าลืมไหว้พระสวดมนต์นะถ้าใครลืมสวดมนต์ขอให้แมวโพลมากินตับ คนหลวงตั้งใจหลอกล้านสาวคนเล็กสายสวัาด์เลิกกลัวแมวโพลงมาตั้งนานแล้วล่ะค่ะคุณตาสาวน้อยบอกผู้เป็นตาสมัยเมื่ออายุห้าหกขวบหลอนกลัวนักกลัวหนาเมื่อถูกผู้ใหญ่หลอกว่าจะให้แมวโพลงมากินตับอาการซึมเศร้าของผู้เป็นป้าทำให้หนุ่มวัยรู้สึกสงสารและอยากช่วยพี่สาวของบิดา ให้ใหายทุกโศกเมื่อใดที่คุณเปียมกลับมาอยู่กับลูกเมียดังเดิมเมื่อนั้นคุณสายใจคงสดชื่นมีชีวิตชีวาเช่นปกติของคนทั้งหลายเมื่อใดที่คุณเปียมกลับมาอยู่กับลูกเมียดังเดิมเมื่อนั้นคุณสายใจคงสุดชื่นมีชีวิตชีวาเช่นคนปกติทั้งหลายหนุ่มน้อยรุ่นคิดหาทางที่จะไปพูดกับคุณเปียมทั้งที่ไม่รู้จัก และไม่รู้ว่าบุรุษผู้นั้นอยู่แห่งหนตำบลใดครั้นจะถามคุณสายใจหรือคุณประพ์ก็เกรงว่าจะไปทำให้คนทั้งสองเกิดความสะเทือนใจแล้วก็ทุกข์หนักไปอีกนี่เขาจะทำอย่างไรดีไหว้พระสดมนเสร็จหนุ่มน้อยจึงแผ่เมตตาอุทิศส่วนกุศลไปให้คุณสายใจกับคุณประพ์พร้อมทั้งอธิษฐานจิตว่า ข้าพเจ้ามีความปรารถนาดีอยากช่วยคุณสายใจและลูกให้มีความสุขขอเทพพายดาทั้งปวงจงช่วยให้ข้าพเจ้าทำสำเร็จด้วยเถิดอธิษฐานแล้วหนุ่มน้อยก็ล้มตัวลงนอนและหลับอย่างง่ายดายเช่นเคย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 ใบหน้ายิ้มละไมอย่างคนที่มีเมตตาท่านเป็นใครมาที่นี่ด้วยประสงค์อันใดแม้จะถามด้วยเสียงที่อยู่ในลำคอหากบุรุษนั้นกลับเข้าใจและตอบด้วยเสียงกลางวันก้องเหมือนจะให้คนทั้งโลกได้ยินว่าเราคือเทพบุตรจากแดนแห่งเทพทั้งสามสิบสามมีเท้าส ก, กะเป็นใหญ่เจ้าเคยได้ยินหรือไม่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 และท่านมาทำไมครับมาช่วยเจ้าเจ้าอธิษฐานให้เรามาช่วยไม่ใช่หรือทำไมท่านทราบและท่านมาช่วยผมเพราะเหตุใดเพราะในอดิตชาติเราเคยเป็นตาของเจ้าเป็นสามีของนางจางเมื่อจุติจากโลกมนุษย์แล้วเราก็มาอุบัติที่สวรรค์ชั้นดาวดึงแดนแห่งเทพสาสสาม มีเท้าสักกะเป็นใหญ่ยายของเจ้าสร้างกุศ ล, ลกรรมไว้มากเมื่อจุติจากโลกมนุษย์แล้วก็จะได้ไปอุบัตยังสวงสวรรค์ส่วนตัวเจ้าแม้จะก่อกรรมทำชั่วหากก็มีบุญเก่าจงชดใช้กรรมให้หมดในชาตินี้แล้วเจ้าจะต้องไม่กลับมาอุบัติในโลกมนุษย์อีกท่านคือหลวงตาของผมใช่ไหมครับ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 หากก็ยังครางแคร่งใจในบางเรื่องที่พระพุทธองค์ทรงสอนเช่นเรื่องความได้เปรียบเสียเปรียบระหว่างมนุษย์กับเทพชั้นดาววดึงที่ว่าเทพชั้นดาวดึงเหนือกว่ามนุษย์สามอย่างคือมีอายุทิพย์ผิวพันธุ์ทิพย์และความสุขทิพย์แต่มนุษย์ก็เหนือกว่าเทพชั้นดาวดึงสามอย่างคือกระหารกว่ามีสติดีกว่า และมีการประพฤติพรหมจรรย์สิ่งเหล่านี้เราคลางแคลงใจสมัยเมื่อเป็นมนุษย์ต่อเมื่อมาปันเทพดังที่เจ้าเห็นอยู่นี้ความลังเลสงสัยที่เคยมีอยู่ก็หมดไปเพราะได้พิสูจน์ด้วยตนเองคำสอนของพระพุทธองค์เป็นสัจธรรมในทุกเรื่องเจ้าจงภูมิใจเถอะที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์พบพระพุทธศาสนา แล้วก็อย่าได้ลังเลสงสัยในพระธรรมคำสอนเพราะจะทำให้การปฏิบัติล่าช้าเอาละเวลาของเรามีน้อยเจ้าต้องการจะช่วยป้าของเจ้าเราก็จะบอกวิธีให้ไม่มีประโยชน์อะไรที่จะไปตามหาในเปีย่ยมเขาต้องกลับมาจงบอกกับป้าของเจ้าว่าให้สวดพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณ และคาถาพาหุงมหากากรุนิโกจบแล้วให้สวดเฉพาะพุทธคุณเกินอายุไปหนึ่งจบเขาอายุส3สาก็ให้สวด44่สจบสวดเสร็จให้แผ่เมตตาอุทิศกุศลไปให้สามีและภรรยาใหม่ของเขาหากยังโกรธเคืองกันอยู่ก็ให้โอโหสิกรรมก่อนแล้วจึงแผ่เมตตาถ้าเขาทำได้ สามีกลับมาภายในสามเดือนจงบอกเขาตามนี้หมดหน้าที่แล้วเราขอลาละ่ะเดี๋ยวครับหลวงตาผมขออนุญาตถามอีกข้อเดียวในโปรตรักจะถามอะไรก็ว่ามาให้อีกข้อเดียวเท่านั้นนะครับคือผมจะถามหลวงตาว่ามัคคีผลที่ยายเล่าให้ฟังนั้นมีจริงหรือเปล่า ที่หลวงพ่อช้างเล่าให้ยายฟังนะครับมีเจ้าจะได้พบเองเมื่ออายุ43ตอนนี้ยังไม่เชื่อก็ไม่เป็นไรสิ้นเสียงของเทพพบุตรภาพนั้นก็หายวับไปกับตาความสว่างสวัยพลันหายไปด้วยคงเหลือแต่แสงนวลละมุนของพระจันทร์คืนวันเพ็นที่สาดส่องเข้ามาทางหน้าต่าง